ทัศนะสู่ธรรมเรื่องฐานแห่งการรู้แจ้งตั้งอยู่บนปรมาถะสภาวธรรมโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่19มีนาคม2528รอวันนี้รู้สึกมีคนที่มาใหม่หลายคนเหมือนกันครับแล้วมีคนพิเศษคนหนึ่ง ซึ่งผมอดที่แตระบุชื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบไม่ได้คือท่านอาจารย์สวัยแก้วสมครับขอแสดงตัวนะครับท่านผู้นี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้จุดประกายของความใส่ใจในพุทธศาสนา ให้ผมเองได้เรียกว่าได้ได้ฉุกคิดพเพราะว่าภูมิปัญญาศาสนานั้นหลบซ่อนอยู่ภายใต้ภูมิปัญญาของโลกทุกยุคทุกสมัยเลยครับเพราะว่าปัญญาในทางโลกนั้นมันเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุดได้เห็นได้ง่ายเช่นความฉลิวฉลาด ปัญญาที่โลกรู้จักแท้ที่จริงก็คือความรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นครับเช่นเราพบนักกฎหมายที่ฉลาดเชี่ยวชาญชำนาญในการตีความตัวบทกฎหมายหรือวิววนิจฉัยอัดคดีเราก็จะรู้สึกเลื่อมใสแต่แท้ที่จริงไม่มีอะไรพิจารพันลึกเลยคือเรียนมากจำได้มากก็วินิจฉัยได้มากเท่านั้นเอง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 ผมได้เห็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่มีแล้วครั้งอดีตเรามีตลาดนัดสนามหลวงเดีย๋ยวนี้ย้ายเจอตุจักรแต่ตลาดนัดทางภูมิปัญญาไม่มีครับครั้งหนึ่งวัดมาธาตุาเป็นเป็นเสมือนที่ที่เรียกว่าทิสาปามโมก พ, พบกันผมยมงจำภาพเหล่า น, นั้นได้ใครก็ได้ที่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 มารูปแบบการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทางภูมิปัญญามันลดความรุนแรงในการต่อสู้ถึงเลือดถึงเนื้อได้แต่ก็ไม่แน่สมมอไปนะะเถียงไม่รู้เรื่องาอาจจะชกกันก็ได้ครับแต่อย่งไรก็ตามวิธีทางปัญญานั้นต้องถูกลื้ฟื้นขึ้นมาวันนี้ผมเกือบจะไม่ได้มาครับเพราะว่าบังเอิญเป็นช่วงตรงกับท่านเจ้าคุณพระตำมีดกตัวแทนภูมิปัญญาของทุต ที่น่าสรรเสริญยิ่งได้แสดงธรรมผมเกือบจะไม่มาเพราะยังติดรสชาติของภูมิปัญญาฟังแล้วเพลินเพราะท่านแสดงธรรมด้วยปัญญาแล้วแสดงเรื่องภูมิปัญญาในการที่พัฒนาภูมิปัญญาของชนชาติและของโลกผมคิดว่าท่านเป็นเพชรจระดที่ที่น่าขนุนถนอมที่น่าเชิดชูเป็นอย่างยิ่งพวกเราควร นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะควรคจะรู้สึกยินดีที่ได้เกิดทันทันร่วมยุคร่วมสมัยกับบุรุษแห่งปัญญานะด้วยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ชื่นชอบปัญญาเราก็จะเบื่อที่จะฟังเรื่องปัญญาแต่ถ้าเรู้สึกเพลิดเพลินต่อปัญญาแล้วก็ผมเชื่อเราจะเจริญถ่ายเดียวเราจะไม่เหมือนเสื่อมนะฮะนึกถึงคําหนึ่งคือวิปัสสนาสุข แต่ว่าโดยสามัญสมนึกของเราวิปัสนานี่ไม่น่าจะสุขมันต้องทนทุกข์ต้องนั่งหลังกดหลังแข็งแต่แล้วท่านก็บัญญัติสุขไว้ว่าเป็นวิปัสนาสุขนี่มีแล้ววิปัสนาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการสวยกามารมณ์หรืออะไรนะภาวะของชีวิตอาจจะอยู่ในห้วงความทุกข์ก็ได้แต่ปัญญาสามารถพัฒนาได้ดงนั้น อ, อิทธิลิตปาทิหารของปัญญานี่สำคัญนะับ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 ให้เป็นรูปธรรมดังนั้นปฏิมากรสามารถสร้างสัญลักษณ์แทนปัญญาขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเห็นรปภ ท, ที่หน้าผากมีสถูปเราต้องหมายรู้ว่านี่คือพระศรีอารยธมเมตรยัยผู้ที่จะมาตรัสในอนาคตสัญลักษณ์อันนี้ถูกสร้างในหลายวรรณกรรมมากครับเป่นจนกระทั่งกลายเป็นปรัมปราคติในหมู่ชาวพุทธเช่นมีการ บางทีเขาเรื่องเจนเพี้ยนแทรกกันมาด้วยนะฮะมีการทัวนรกทัวสวรรค์แล้วก็ไปเฝ้าพระจุรามณีพระจุรามณีคือสถูปสัญลักษณ์ของโพธิสมภารในอนาคตคือพระศรีอารยาเมตรดายผมแผ่ขยายความรู้สึกเลื่อมใสและรักใคร่ต่อพระพุทธเจ้าของเราไปสู่พุทธเจ้าครั้งอดีตและอนาคตด้วย เือจะเห็นมิติแงกว้างครับผมคิดว่าไม่ใช่ข้อสรุปที่ดีที่จะสรุปว่ามีพระเจ้าที่ชื่อโคตมะเท่านั้นฉลาดที่สุดครั้งอดีตเมื่อผมเป็นนักรตนักบวชอยู่ผมจําได้ตัวเองโกรธคนคนหนึ่งมากเมื่อเขาช่วงเจ้าพระเจ้าเขาที่จริงเขาเพียงเสนอความคิดบริสุทธิ์แต่ผมกําังยึดติดว่าพระเจ้าต้องดีที่สุดเขาบอกพระเจ้าไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดผมโกรธ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 ปรัชนาที่เรารู้จักว่าเป็นโอวาทปาดิโมงนั้นท่านจะอ้างถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายพูดอย่างนี้รวมทั้งท่านด้วยพระองค์หนึ่งใช่หไหมฮะฉันแสดงหลักว่าพระเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่าพระนิพพานเป็นที่สุดเป็นธรรมอันเลิศนี่คือเรียกอุดมการณ์ก็ได้นะฮะต่อมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวขันติ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 ข้นี้ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราเป็นพุทธเราจะหลับหูหลับตาเราจะไม่อ่านไบเบิลเราจะไม่อ่านไอิกราอานเราจะไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ผมพูดแล้วก็รู้สึกอนาตัวเองครั้งอดีตผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแม้แต่จับคัมภีร์ไบเบิลก็รู้สึกลำบากใจเหมือนผมเคยเล่าในที่ประชุมนี้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าได้อาศัยพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุนโมแก้นิสัยทับแค่วันนี้ให้ผมโดยออกอุบายว่า สมเด็จพระสันตป ป, า, ปาจอห์นปอนที่สองท่านจะส่งภาพเป็นของขวัญให้โป๊ปองค์นั้นที่วาติกันขอผมเชืวว่อวาดรูปจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งท้าก็บีไว้ผมต้องอ่านนนี่ตอนนี้สุดผมได้เรียนรู้ว่าไม่ฉลาดเลยที่จะปิดกั้นตัวเองภูมิปญานั้นเราจะเรียวกว่าเป็นภูมิปญาบริสุทธ์ก็ถูกครับ แต่มันจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและส่องแสงต่อเมื่อมันถูกบูรณาการจากปัญญาอื่นผู้อีกทีคือความโง่ช่วยปัญญาเรืองรองขึ้นเหมือนความมืดช่วยแสงสว่างล้ําค่าขึ้นถ้าไม่มีความมืดแสงสว่างนี้จะหมดค่าไปด้วยครับเหมื่อจุดตะเกียงขึ้นเหนือลกลางวันไม่มีความหมายอะไรแต่พอตกดึกมืดค่ําเมื่อความมืดแผ่คลุมแสงสว่างแม้น้อยนิดก็เรืองรองขึ้นฉันดานะครับ ดนั้นแหล่งบัญญาอื่นแม้จะไม่ใช่แหล่งบัญญาของพุทธเราควรใส่ใจและศึกษามหากราบกินกาเมเสนได้ดำเนินเรื่องคล้ายๆโครงสร้างของมหากราบอื่นรวมมาถึงผมเรียกมหากราบแต่ไม่มีใครขานรับเลยยี่สิบปีแล้วผมเรียกมหากราบใส่อิวนอกจากคนจีนที่รู้ภาษารู้กวีจีนแล้วจึงจะยอมรับนะฮะ พระกาบรามายณะก็ดีมหาภาตายุทธก็ดีอีเลียดก็ดีโฮเมอร์ก็ดีมีโครงสร้างที่สำคัญมากและเป็นรหัสไม่ใช่นิทานเล่าเพื่อความเพื่อเพลิพนสนุกสนานจริงมหากาบที่เรียกว่าโอดิซิอุสนะฮะโอดิซีหรือที่เรารู้จักว่ายูลิซิสประจนไยัยซึ่งนักสร้างภาพยนตร์ทให้ดูสนุกสนานที่จริงโครงสร้างคือการเดินทางของชีวิตโอดิซีประเด็จศึก ที่กลุมทรอยแล้วนะครับก็เดินทางกลับเมืองแม่ตรงผจญอุปสรรคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาต่างๆนานาโดยโครงสร้างภายนอกทางกายภาพดูสนุกสนานแต่ถ้าอ่านอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องทางนอกนี่มันเป็นเรื่องเผชิญอะไรมัางสิ่งภายในเช่นอสูรตาเดียวอสูรเอกเนตรคล้ายๆจะเป็นอวิชชาครับยักษ์ตัวนี้มันหลับทั้งวันมันมีตาเดียวตึงมาก็บริโภค ดูไปแล้วสอดคล้องสังคมบริโภคมากๆครับคือมีตาข้างเดียวและชอบกินกินเหล้าง่นซึ่งจับตัวคณะของโอดีซีเข้าไปขังจนวีรชนคนนั้นต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นอิทธิพลของยักษ์ตาเดียว <c oughs> แล้วก็ไปเจอวังวนของน้ำวนชาลิบดิสลุมมลิตตยูไซเรนซึ่งต่อมาเราได้เรียกเสียงไซเรนนะครซึ่งเป็นปีศาจซึ่งใครได้ยินแล้วเนี่ยต้อง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 ประมาณสี่พันกว่าปีมาแล้วนานมากครับถือว่าชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติที่มีภูมิปัญญาชนิดนี้นะฮะแล้วได้สรรสร้างภูมิปัญญาเหล่านั้นออกไปรูปของมหากราบชื่อกินกาเมสกินกาเมชเป็นชื่อของวีรชนในเรื่องพูดเป็นราาัฐบานแล้วพระเอกซึ่งหมายถึงอะไรนี่ก็ต้องต้องตีความกันการตีความพุทธศาสนานี่สำคัญมากนะฮะแต่ว่าต้องตีบนหลกฐานความจริง ไม่ใช่ตีได้ที่เอาถ้าตีได้ที่เอาเละเลยครับเหมือนใครคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาตีได้ที่เอาเช่นพอศึกษาพุทธวัตรพระพุทธมารดาที่มายาเขาก็ตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมายามอา้าวที่นี่เละแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโครงสร้างไม่อาจนำเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ผมจะเล่าเหตุการณ์บางเหตการทีกินกามเวชนะฮะเพียงเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า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 ความรู้จักตัวเองจริงๆคือรู้จักกับตัวเองสัมพันธ์อยู่กับสรรพสิ่งอิงกันกําเนิดอยู่อย่างไรที่เรียก่าอิทัพปัจยาตานั่นเองครับดังนั้นพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์นั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นปรับปากกันนะมีคนเข้าใจผิดเป็นจำนวนมากทีเดียวที่จริงเป็นปฏิสัมพันธ์กันอยู่บางส่วนท่านรับบางส่วนท่นบบานวมเศษส่วนที่ไม่จริงนั่นไม่เสดสิ่งไหนที่เขาพูดไว้ดีแล้วท่านรับเช่นอหิงสาประโมธรรมโมฯลฯ ผมจําบาลีไม่ได้นะอหิงสาประโมธโมก็อหิงสาเป็นบรมธรรมเอสะธโมสนันตโนก็นี้เป็นคําเก่าเป็นคาเก่านะว่าเขาพูดกันไว้แล้วบางทีเรียกโุราณธรรมท่านยอมรับนีน อ, อผมจะลองเล่าดูนะครับผมไม่ใช่นักเล่านิทานที่ดีนักแต่ว่าต้องการจะเล่าเฉพาะแก่นซึ่ ง, ซ, งซึ่งเป็นเหมือนรหัส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 มันแปลกมากเป็นมมหานทผกผันซ่อนภูมิมัญญาหมาความว่าเมื่อเข้าถึงตัวชีวิตจิตใจแล้วสิ่งหนึ่งต้องตายลงคือมายาภาพก็ดีความหลอกลวงก็ดีความเพอ้อพกก็ดีแฟนตาซีอย่างๆ่างก็ดีเนีย่ยเรียกว่าถึงซึ่งชีวิตนั้นแสดงเราเร า, เร า, เราท่านๆยังไม่เข้าถึงชีวิตครับเรายัางอยู่ห่างจากความหมายชีวิต นี้ดังนั้นเองนะครับเส้นทางของการภาวนาไม่ว่าในพุทธศาสนาของนิกายมหายาณหรือหินญาณที่บ้านเรานี้นะว่าไปแล้วคือการเข้าให้ถึงชีวิตนะฮะค้คนให้พบตัวเองสัมผัสให้ถึงทุกอนูของชีวิตครอบครองพื้นที่ชีวิตทุกๆตารางนิ้ว้ได้ดูจะเป็นคมพูดซึ่งคุกคามหรือเปล่าครับ แต่ลองฟังจากข้อสูตรว่าวันหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งพาผู้หญิงที่เขารักใคร่ชอบพอไปเที่ยวเล่นในปาร์คแล้วสตรีนางหนึ่งขโมยเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่มีค่าหนีไปวหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นก็ตามหาเจอพู้เจ้านั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ก็เข้าไปถามว่าท่านเห็นสตรีผ่านทางนี้หรือเปล่าผู้เจ้าทรงจัดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับ เด็กหนุ่มนั้นว่าเธอจะหาหญิงหรือหาตัวเองดีคล้ายๆตัวเองหายไปยังไม่รู้เทีย่ยหาผู้หญิงอยู่ได้คําพูดนี้มีผลมากในจังหวะที่เหมาะสมครับเด็กหนุ่มคนนั้นชาวัยมีอยู่เอ๊ะใจเอ๊ะตัวเองหายไปเมื่อไหร่นีก็ต่อหลังเท้าเข้าไปไถ่าถามว่าคําถามคําตอบนี้มีความหมายลุ่มลึกอย่างไรในสุดกิจการคนโชคดี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 ในกินกาเมสนั้นจะมีตัวละครอยู่สองตัวครับที่ผมจำได้นะที่จริงเรื่องมันกว้างใหญ่ไพศ า, าแลแไม่ได้อ่านต้นฉบับเพราะหายากเต็มทีอ่านแต่ข้อวิจารณ์ปละปลายหลายที่นะครับเอ็นกิดูนั้นเป็นตัวหนึ่งซึ่งหัวเป็นวัวซึ่งผมเชื่อนี่เองเป็นรากฐานของเทพชั่วร้ายของของอียิปต์ที่เรียกมีนานทัวเทพเจ้าหัวงวนะครับซึ่งต่อมาปกัโซศิลปินที่ลือลั่นมาก ชอบแทนตัวเองเป็นมีนาทัวร์เขาบอกว่าเขาเป็นเทพผู้ชั่วร้ายเพื่อแดกดันประชดจันพวกที่คิดตัวเองเป็นสาวกพระเจ้าเขากระทบหนึ่งนะครับเอ็นคิดดนี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสัตว์ป่าในตัวเราคว า, รนะความมีอินสติ้งขอโทษนะความมีสัญชาตญาณยิ่งสัตว์มนุษย์เราตาดำดำเนี่ยนะฮะหน้าซื่อๆฝุ่นเน็ไทเนี่ยพร้อมที่เป็นสัตว์ได้ทุกเมื่อนะครับ เพราะถ้าเขาถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณแต่ว่าโดยข้อที่จริงมนุษย์อิงสัญชาตญาณ น, น้อยลงอิงปัญญาสูงขึ้นนะแต่ใช่ว่าสัญชาตญาณจะหายไปในพุทธศาสนาถือว่าความเป็นไปได้ที่เรียกว่าฐานะนี่นะเช่นต่ํากับพระโสดาบันอาจจะปลงชีวิตมารดาเมื่อไหร่ก็ไดนะ้ข้าพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ไดนะ้แต่ถ้าเป็นโสดา ข, ขึ้นขึ้นบนแล้วนี่นะอยู่ในฐานะที่เรียกอฐานะคือเป็นไปไม่ได้ เพราะได้ก้าวข้ามสัญชาตญาณที่เรียกโคตรภูข้ามโคตรของความเป็นมนุษย์หนึ่งไปสู่อริยโคตรคือเปลี่ยนโคตรไปเลยครับพู้เจ้าท่านอธิบายตัวท่านว่าท่านไม่ใช่ไม่ใช่โคตรของเมืองกบิลพั์อีกท่านเป็นอริยวงศ์คือวงของพระบุคคลเมื่อพ่อไปห้ามปรามท์เมื่อสมัยกรับไปเยือนกบิลพั์และทถนองบินบากซึ่งวัฒธรรมยุคนั้นอาจจะ พระเจ้าสุดโทนนะรู้สึกขายที่หน้ามากพอาตัวเองเป็นราชาของแฟนนั้นแล้วก็ลูกตัวเองแท้แท้ซึ่งจะสืบทอดอำนาจรัดดันลงไปขอทานเขาทนไม่ไหวลไปตะเตือนห้ามปรามบอกให้ไปกินที่วังพระเจ้าบอกท่านไม่ใช่โคดนี้ท่านเป็นอริยโคดอริยวงนี่นั่นคือเอ็นกิดูครับสัญชาติญาณยิ่งสัตว์ที่แฝงเร้นอยู่เขาทําเป็นตัวละครออกมาแต่จริงมันทําไม่ได้มันซ่อนตัวอยู่ อีกตัวหนึ่งคืออิตานาตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายบวกคือความเป็นความเทีทยงเทียันในทางสูงความฝ่ายรู้ในทางสูงนะฮะแล้วดูเมืนทั้งคู่นี้ถูกพยาเดียวและพยาเดียวตัวนี้นะครับที่จริงเป็นปฐมฐานของการสร้างสัญลักษณ์ในทางศาสนธรรมเป็นพยาครุษครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรากลางต ร, งรังราชสำนัราชบัลลังก์ครุษพรหะของนาลายนะครับของพระเจ้า อ่ผู้ที่เหินไปในท้องฟ้าไม่มีตัวตนแต่เหินไปได้ฟังดว้วยระวางไงดีเดี๋ยวสับสนขนะึ้ยยนมานะครับเล่าไปเล่ามาเมื่อพระยาเยียวได้พาอิตาน่นะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าพระยาเยียวก็ถามว่าขณะนี้เจ้าเห็นโลกเป็นอย่างไรบ้างอิตาน่บอกว่ า, วาเห็นโลกเดี๋ยวนี้คนก็ไม่มีเมืองก็มองไม่เห็นเห็นแต่ ใกล้ๆเขียวๆอยู่กลางน้ำพอทีแรกอิตานา้าขอร้องให้พญาเหี่ยวเนี้พาเข้าไปสู่สวงสรรค์แต่พยาเดี่ยวซึ่งเป็นไส้ลักณ์ของยานอยานพิเศษก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นห น, นั้นโลกเป็นอย่างไรเมื่ออิตาน้ารายงานที่นั้นเดี่ยวก็บินสูงขึ้นอีกครับไกลจากโลกขึ้นอีกใกล้สวรรค์ขึ้นไปอีก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 อีธาน่าขอร้องพญาเ ย, ยว่ากลับบ้านดีกว่าผมไม่อยากไปเลวสวรรค์ไม่เห็นมีอะไรเลยกลับเป็นคนธรรมดาดีกว่าผมอ่านแล้วผมชอบมากครับความพยอ ย, ยานของมนุษย์เรานะครับที่จะหนีสัญชาตญาณนนึ่งสัตว์เพื่อเป็นเทพเจดาเพื่อเข้าถูถ่ดินบรมบสุขนั้นเป็นปฏิกิริยาในตัวเองแต่ในที่สุดประสบการณ์ในชีวิตจะสอนว่าชีวิตยิ่งคนธรรมดาสามัญนั้นดีที่สุด ที่ต่อมาเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์แต่ผมเชื่อว่าให้อิทธิพลต่ อ, อประการนาของกรีกที่เรื่องที่เรารู้จักว่าอีคารุสที่มีพ่อกับลูกเอาขี้ผึ้งติด ป, ปีกที่จะบินไปหาดวงอาทิตย์แห่งความจริงนะครับที่่าใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไหร่แสงแดดร้อนก็เผาจนขี้ผึ้งละลายปีกก็หลุดตกลงมาในทะเลซึ่งแท้ที่จริงเป็นใบหน้าของเขาเอง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 เบื่อสังคมเบือ่อลูกเบือ่อมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะปฏิบัติตนให้พ้นจากโลกสิบห้าปีหลังจากเทียนโทนาอยู่ก็เดินทางกลับเข้าเมืองเจอเทพบดีคนเก่าองค์เขาเทพนั้นถามว่อาอ้าวสิห้าปีที่แล้วท่านบอกท่านเบือ่อท้งคนคมมนุษย์เกลียดมนุษย์แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจะกลับเมืองละ่ะท่านตอบสงบขเงียมว่าเดี๋ยวนี้ฉันรักมนุษย์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 หรือภู้รูสารเจบ้างกูต้องเป็นอรหันต์ให้ได้นี่เป็นกลลวงที่แสบเผ็ดที่สุดครับโดยไม่แยแสว่าคุณธรรมที่ทำให้เป็นอรหันต์นั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่จริงนั้นความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองครับคือสมดุลของธรรมชาติอันนี้ผมต้องทบทวนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขันห้าซึ่งถือว่าเป็น